อยู่ในนี่ว่าไปนั่งคิดอะไอยู่ในเราะม่ใจะนั่งปฏิบัติอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่เห็นว่าตัวเราคิดด้วยหนูนั่งคิดเอาแต่นั่งคิดอยู่แต่ข้างในแล้วไม่เห็นตัวเราคิดเนี่ยหนูหนูมันนั่งคิดแต่ข้างในแล้วหนูไม่เห็นตัวหนูคิดแ้วเนี่ยนี่เราอยู่ไหนนี่ยอยู่อยู่ชนชนี่เหรอ มันไม่เห็นตัวเองคิดเนี่ยมันไม่เห็นตัวเองคิดเอาไงอะเราเราคิดเนี่ยนั่งคิดเราไม่เห็นตัวเราคิดแต่เราเนี่ยนั่งคิดอยู่เนี่ยนนั่งคิดอยู่ไม่ได้หลับตานั่งคิดอยู่เนี่ยนั่งคิดแล้วไม่เห็นตัวเองคิดแต่เอาตัวเองอ่ะไปคิดแต่ไม่ได้เห็นว่าตัวเองอ่ะกําลังคิดแต่เราเนี่ยเอาตัวเราเองอ่ะไปไปคิดไม่ไม่ได้เห็นว่าตัวเองอ่ะกําลังคิด เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจอะเข้าใจเออเอเอเอถ้าเข้าใจแล้วต้องต้องปฏิบัติให้เห็นตัวเราคิดแต่ไม่ใช่เอาตัวเราไปคิดอย่างเมื่อกี้นี้จะแก้ไขได้ไหมเขียนแก้ไขได้ไหมก็ต้องต้องลองทำอ่ะอย่างเมื่อกี้เนี่ยหนูในสภาวะหลับตากับหนูในสภาวะลืมตาเนี่ยไม่เหมือนกันดู ดูเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจเมืกก่อ ก, กี้คือนั่งคิดอยู่เออเออเมื่อกี้คือนั่งคิดอยู่เออเมื่อกี้หลับตาเนี่ย น, นั่งทบทวนตัวเองเออนั่งคิดอหมกมุ่นน่ะคิดหมกมุ่นหมกมุ่นคุณคิดเนี้ยไอ้เนี้ยคือหลองคิดค่ะแต่หนูอยู่ในสภาวะจิตตื่นอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าอีกอยู่ในสภาวะจิตตื่นอย่างเงี้ยหนูก็อยู่กับสภาวะจิตตื่นอย่างเงี้ยแล้วไม่หลงไปกับอะไรทางเตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ย ประตูตาก็สํารวมไว้ย้ายหลงไปประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายหนูก็ย้ายมันหลงไปคือสํารวมอินอินทรีสักห้าประตูประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายห้าประตูเนี่ยหูสํารวมไว้ย้า้มันหลงไปกทั้งห้าประตูนี้แล้วก็เปิดประตูเดียวคือประตูใจคอยสระเกตอยู removed, wives, ller, uniforms, s, sin, well ่ที่ประตูใจคือตัวเราเนี่ยคิดอะไรแต่ไม่ใช่ว่าอย่างเมื่อกี้กรณีเมื่อกี้เนี่ยคือหนูเห็นอย่างเงี้ยดีแล้วคือ กรณีอย่างเมื่อกี้เนี่ยหนูก็คือเอาตัวไปคิดเอาตัวเองไปคิดตอนเนี้รู้แล้วว่าเนี้ยในสภาวะจิตตื่นเนี่ยตื่นมาเมื่อกี้กับอย่างเดี้ยไม่เหมือนกันใช่ไหมค่ะเออไม่เหมือนอย่างเงี้ยหนูเจอสภาวะอย่างเงี้ยห น, นูจะรู้เลยว่าเนี่ยในใจเรากําลังคิดเลยอยู่อย่างเงี้ยคือรู้ตัวเราคิดแล้วก็สัตว์ตรู้ตัวเราคิดตลอดเวลาอย่าไปอย่าไปเสี้ยววินาทีเดียวนะเสี้ยววินาทีเดียวถ้าเราไม่เห็นตัวเรากำลังคิดอันเนี้ยคือผิดแล้วให้รู้ให้ตั้ ง, งสมมติฐานไว้เลยว่าแช่แล้ว ไปแช่ใจที่ว่างเบาสบายอันนั้นแช่แล้ววิธีแก้แก้แช่ทํำไงคือเอ๊สักครู่เดียวไม่เห็นตัวเราคิดอะไรลยล ว, ว่างอย่างเดียวนิ่งเฉยอย่างเดียวกลับไปตกล่องเดิมวิธีแก้คือต้องถามตัวเราเองว่าถามใจเราเองว่าอาการนิ่งว่างเฉยอาการสบายเนี่ยมันรู้ตัวมันเองได้ไหมมันรู้ตัวมันเองไม่ได้ใจก็ตอบว่าเราสิเป็นคนรู้ เราเป็นคนรู้แต่เนี้รู้ตรงเราเลยว่าสังเกตตรงเราว่าเราเราเราเ ร, าราู้อาการนั้นเราพูดว่ายังไงแล้ว ก, ก็กลับมาสักษวามรู้ตัวเราใหม่ยังเงี้ยจะไม่ผิดพลาดถ้แก้อย่างเง<ะ>ี้ย<า>เรื่อยไปเข้าใจไหมถามอาอถามได้อหมอถามได้ถามเลยใครถามอะไรไม่ข้างล่างเลยยังไม่ได้ถามใครไม่ไถามว่าสักสัสสสสสกให้กระจ่างนะอย่าอย่าอุ๊บอิบไว้นะ เอออย่ามันอย่าไปอุบอิฟอะไรไว้เดี๋ยวกันเราจะกลับแล้วไปอุบอิฟอุบอิฟไว้ในใจเราคิดเองไม่ได้นะถ้าสงสัยนิดหนึ่งต้องซักเลยซักให้กระจ่าง ก็หลวงตาค่ะขอถามอีกรอบค่ะคืออย่างเข้าก่อนที่หลวงตาแนะนําไว้ว่าเอออย่างเวลาที่เรานั่งไปแล้วรู้สึกว่าใจมันสบายเนี่ยให้ถอยออกมาแล้วก็ลองดูว่าใจเราวิภาควิจารณ์อะไรพูดอะไรตลอดเวลาแล้วก็ตอนนี้ก็คือลองพยายามไม่ไม่ไม่ต้องถอยนะแต่หมายถึงว่ า, าคือมันมันมันสบายก็รู้ว่าสบายกันแหละค่ะรูม้มันสบายมันสบายไม่ได้ไปทําลายมันนะไม่ได้ถอยหนีความสบายคือความสบายเนี่ยมันก็สบายกันแหละ ยิ่งปล่อยวางมันก็ยิ่งเบายิ่งบ้านยิ่งสบายไ้เราไม่ได้ไปถอยหนีควาสบายหรือว่าพยายามไปทําลายความเบาสบายนะคือแต่เราจะต้องเลยไปอีกเพราะว่ามันเป็นแค่เวทนาสติปัฏฐานสี่มันกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนะอันนั้นมันแค่เวทนาเราจะต้องทํำยังไงถึงเราจะเลยเวทนาไปอีกคือปล่อยวางเวทนาได้วิธีการจะปล่อยวางเวทนาคือเราต้องเข้าหาผู้รู้ เขาหาผู้รู้เวทนาว่าผู้รู้เวทนาคือใครรู้เบาสบายมันรู้ตัวเองไม่ได้ก็คือเราเนี่ยเป็นคนรู้แล้วก็รู้ตรงเราเนี่ยมันพูดว่าอะไรเราพอเรามาเห็นแต่ตัวเราพูดพูดไม่หยุดบนไม่หยุดเพราะว่ามันทุกเสี้ยววินาทีเราเนี่จะพูดไม่หยุดบนไม่หยุดเราจะไม่เคยหยุดพูดเลยท่าเสี้ยววินาทีเดียวเนี่ยเราไม่เห็นตัวเราพูดเห็นแต่นิ่งเฉยเนี่ยคือเราต้องถามตัวเราตลอดเวลาปะไอ้ที่นิ่งเฉยอีกแล้วใครเป็นคนรู้เราเป็นคนรู้ก็เห็นเราพูดอีกเรื่อยไปอย่างเงี้ย ต่อไปมันจะมีความชํานาญคือมันจะเห็นตัวเราพูดไม่หยุห slowed, ดยตลอดเวลามันจะไม่ไปสนใจไอ้ใจที่ว่างเบาสบายเลยพอเราปลา่อยวางตัวเราพูดไม่หยุดปุ๊บมันจะยิ่งว่างยิ่งเบามากเลยยิ่งว่างขึยิ่งเบาไปอีกเราก็จะไม่ไปสนใจให้ค่าต่อความว่างความเบาเราจะมาปล่อยวางตัวเราที่พูดไม่หยุดตลอดเวลามันก็ยิ่งว่างยิ่งเบ า, ามากเลยย่งว่างขึนยิงเนาไี่ยใจให้่าต่อความ่างามเบาเราะลยวราที่พูดไม่หยอามันก็ยิ่งว่ยิ่ามกเลยยิ่นยิ่ปรากฏ คือไออาการที่ปรากฏเนี่ยไม่มีใครไปยึดไม่มีใครไปสเสวยมันคงแต่เป็นอาการที่เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเอ ง, เองแต่ทุกอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่าอ้าวมันเกิดมันเกิดดับอยู่แต่ใจมันไม่เกิดดับไปด้วยเอ๊คือไอผู้รู้เนี่ยคือใจที่ผู้รู้เนี่ยมันเหมือนกับงี้ไอ ไอ้ใจหรือผู้รู้เนี่ยมันเปรียบเหมือนไอ้มันจะกลายเป็นเหมือนกับเป็นไอ้คันหรือมนุษย์ผู้หญิงเลยแล้วก็ไอ้ความคิดที่มันกึกกึ๊กึเหมือนเด็กที่มาเกิดในคันมันเกิดดับเกิดดับแต่ใจเนี่ยมันไม่เกิดดับไปด้วยเออเหมือนกับว่าเราทุกคนเคยเป็นอยู่นะแต่เราไม่เห็นมันเนีองไม่สังเกตเองว่าในขณะที่เราเนี่ยบางทีในใจเรามีความใจมันมีอาการที่เหมือนกับมีความทุกข์อยู่แต่ใจเรากับ ไม่ทุกข์ใจไม่กับเฉยๆกับความทุกข์ที่เราทุกข์อยู่ได้เราจึงรู้ว่าอ้าวความทุกข์ไม่อยู่แต่ใจมไม่ทุกข์ไงในความวุ่นวายแต่ใจสงบได้ไอ้มันจะไปเป็นอย่างเงี้ยถ้าใครเคยเจอเงี้ยมันจะเข้าใจแต่ความจริงเราทุกคนมีมีหมดแล้วอย่างเนี้ยมันเคยมันเป็นมาหมดแล้วแต่เราไม่ไสังเกตเองว่าบางทีมันวุ่นวุ่นวุ่นนู่เนี่ยไอ้แต่ใจเรามันมันเฉยๆกับความวุ่นได้ บาที่ใจเรามันมีความทุกข์ทุกขอยู่เนี่ยแต่มันเอใจเราในใจเรามีความทุกข์อยู่เนี่ยแต่ใจเรามันรู้สึกมันไม่ทุกข์ไปกับความทุกข์นั้นความทุกข์มีอยู่แต่ใจไม่ทุกข์เคยเจอไหมอย่างเงี้ยหมอเคยเจอค่ะเอออย่างนี้แนี่ยนั่นแหละเราจะเห็นว่าเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างมันมีอาการอาการมันมีอยู่แต่ใจอ่ะมันไม่เป็นไปตามอาการมันมีอยู่เนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แน้วในในพุทธเจ้าในพระรหัสนัย คนตุโชนในสัตว์ในราชาต่างหลายในสัตว์าทั้งหลายเนี่ยมันมีอยู่แล้วเนี่ยแต่เราไม่ได้สังเกตเห็นมันเองนนเนี่ยแนี่ยเราอย่างเวลาสมมติว่ามีทุกอยู่แต่เราไม่ทุกนี่คือเราเป็นคนใจร้าแล้วเราก็เลยแบบเหมือนกับไม่ใส่มันแยกยังไง ร, ระหว่างที่ว่าเราดูเป็นเอ่เราภาวนาเป็นกับการที่ว่าเราแบบใจร้ายไม่ใส่ใจอะไรเงี้ยค่ะคือใจร้ายไม่ใส่ใจเรามีอารมณ์คือเรามีอารมณ์อยู่แต่เรา ไม่ไปยุ่งกับมันใครแค่เรามีอารมณ์อยู่เนี่ยแต่เราไม่ไปยุ่งกับมันไม่ไปยุ่งกับมันเราก็มีอารมณ์อยู่นะแต่ไอ้ที่เราที่พูดเนี่ยคือใจมันมีอาการของมันอยู่แต่ใจมันไม่ไม่ไม่ได้ไปมีอารมณ์กับอะไรใจมันมีอาการอยู่แต่ไม่ไปมีใจแต่ใจเนี่ยไม่ไม่มีอารมณ์กับอาการนั้นแล้วก็ไม่ไม่ไปมีอารมณ์กับใครเอแต่ไม่ใช่ว่าไปสะกดจิตให้นิ่งนะตัวอย่างกัน เหมือนกับมันแยกส่วนกันนะเออมันแยกส่วนกั <be> นคล้ายๆมันเป็นน้ํำกับ <hon. S 2> น้ำมันค่ะคล้ายๆงั้นะหละที่บอกว่ามันดิ้นรนแล้วก็แบบหดหดปัญหาอะไรงี้ยมันก็อยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนของเราก็เออเราก็ดูเออมันก็อยู่อีกส่วนหนึ่งมันแยกกันคล้ายๆคล้าย ๆ, ๆอย่างนั้นแหละอ๋อค่ะคือเราเราไม่เราไม่เคยเห็นมันเองแต่ความจริงมันมีอยู่แล้วในทุกคนค่ะมันมีอยู่แล้วในทุกคนเนี่ยไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่มีตัวนี้อยู่เนี่ยทุกคนจะตายหมดทุกจนตาย ถ้าไม่มีตัวนี้นะทุกคนทุกจนตายเช่นลูกโดนรถชนตายคนที่เรารักโดนรถชนตายนะคือมันก็ทุกอะทุกคนก็ทุกเวลาคนที่เรารักมากอ่ะต้องมาตายพัดภาคเนี่ยหรือพัดภาคเจ้าสิ่งที่รักเนี่ยเป็นทุกข์ในโลกเนี้ยเพราะงั้นน่ะถ้ามันมีไอ้ตัวนี้นะไอ้ใจที่ไม่ใจที่มันไม่ไม่ไม่ทุกข์ไปด้วยเนี่ยเราทุกจนตายแล้วทุกคนทุกจนตายหมดเลยเออแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ย มันทุกข์ก็มาใจมันก็ทนได้ผลท้ายใจมันก็ไม่ไม่ทุกไปกับความทุกข์นั้นถ้าฝึกให้แบบเกิดบ่อยๆหมายถึงว่าสังเกตบ่อยๆแล้วเป็นแบบนี้บ่อยๆก็คือว่ามันถูกทางเออถูกทางออตอนนี้เรามปสังเกตอีกทีหนึ่งนะคือทุกคนเนี่ยสามารถที่จะสังเกตได้หมดอ่ะเราเราตื่นนอนตอนเช้านะเราเราตื่นนอนตอนเช้าตาเรายังไม่ลืมเลยนะ แต่เราไม่ทันจะคิดอะไรอ่ะอยู่ๆเนี่ยมันคิดขึ้นมาเองสังเกตไหมคือเราอย่าเป็นคนที่คิดอะไรตลอดเลยทั้งวันทั้งคืนนะคือไม่ใช่พรอะว่าไม่ทันลืมตาก็ตั้งใจจะคิดอะไรแล้วไม่ใช่คือเราเนี่ยอย่าไปตั้งใจคิดตื่นนอนมาก็อย่าคิดว่าเดี๋ยวตื่นนอนจะต้องตั้งใจคิดอะไรคือเราสังเกต ด, ดีๆว่าเราเนี่ยตอนเราตื่นนอนใหม่ๆยังไม่ได้ทันลืมตาเนี่ย มันมีความคิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดแล้วมันก็รู้ว่ามันก็รู้ว่าเนี่ยเรากำลังคิดขึ้นมาโดยไม่ตั้งจคิดความรู้เนี่ยมันก็รู้ขึ้นมาเองโดยไม่ตั้งใจรู้มันเ็มีสองอันคือมันคิดขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจคิดกับรู้ขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจรู้เข้าใจัหมบางทีเนี่ยเช่นล่ะแต่กรณีเช่นนี้มันจะเกิดกับผู้ที่ที่ฝึกจิตที่ที่ฝึกจิตที่ดูรู้เห็นจิตในทุกอาการเลย ไล่จีจีจีจีจีจีจีตั้งใจดูจิตไล่จีจีจีจีจพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเกิดไไอ้ที่ขนาดจิตที่มันไล่ดูเนี่ยมันเกิดมันเกิดหายไปไม่ใช่ว่าเบื่อเพลินนะคือเช่นมันก้มจะไปหยิบของเนี่ยมันเลยลืมที่จะไล่ดูจิตแต่ไม่ได้เบื่อเพลินไม่กลับอะไรนะเช่นมันก้มไปจะไปซักผ้าก้มไปจะไปหยิบของเนี่ยอ่ะมันก็เลยเอ่มันมีรู้ที่โดยไม่ได้ตั้งใจรู้ กับคิดโดยไม่ตั้งใจคิดคือตอนที่ก้มไปเนี่ยก้มไปจะหยิบหยิบอะไรเนี่ยไปจับอะไรเนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจจะคิดอะไรเลยตอนนั้นนะอยู่ๆมันคิดขึ้นมาเองแล้วไอ้รู้เนี่ยมันก็อ่ะอยู่ๆก็รู้ขึ้นมาเองอันนี้เคยเป็นไหมไม่เคยเป็นค่ะยังไม่เคยเป็นนะแล้วนะแต่ฝึกไปเหอะเดี๋ยวก็เป็นก็ฝึกไป ค่ะขอถามอีกคําถามหนึ่งค่ะพระอาจารย์เรื่อง เ, ออเป็นปัญหาด้านเทคนิคคือว่าพอนั่งบางทีมันจะแ บ, บบพูบๆหลับๆอะไรย่เงี้ยค่ะมันจะทํายังไงให้แบบ อ, อคื อ, ค, อคือฝึกต่อได้โดยที่แบบไม่ง่วงหลับไปก่อนอย่างเงี้ยเออเพราะว่าไอ้ที่มันมันง่วงเนี่ยเราหน้าเราคอยง่วงเนี่ยก็เพราะว่าหลายคนก็เป็นเนี่ยคือเราไปชอบจับเบาสบาย พอมีอาการปีติขวัลุกซู้ๆาซ่ซาสับซ่านหน่อยๆลินลินสบายๆใจเ บ, บาสบายเราเนี่ยไม่ไม่ไม่มรู้ว่าตัวเราคิดอะไรแต่เราไปจับเบาสบายแล้วมันก็เลยง่วงเลยไอ้ตัวนี้ตัวเดียวเหตุที่ทําให้ง่วงกับอีกอันหนึ่งคือเครียดมากๆจนฟุ้งซ่านเครียดมากแล้วก็มานั่งแล้วก็หลับแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นเครียดมากๆฟุ้งซ่านจนเครียดเนี่ยแล้วเราก็จะจับเบาสบายแต่ของหมอในกรณีของหมอเนี่ยคือจับเบาสบาย เอออย่างของไอ้ของโ ย, ย, นะยมโยมโยมอะไรนะโยมเต้ยเนี่ยจะเป่าสบายโยมเต้ยโยมเต้ยนี่ใช่ลูกสาอ๋อเคยดูบางทีตั้งแต่อยู่บ้านที่ที่เมื่อที่บ้านบอลที่บางบอลน่ยดูวันทีเรื่องไอ้ไอ้ทำชอบทําชาลุศีเนี่ยใช่ไหมเอด็กเคยดูวันทีไปจับไปจับอารมณ์สมาธิระดับเป็นเป็นชาลุศีเนี่ย เขาไม่เป็นไรหลักอย่างเงี้ยกาลังคิดว่าถามที่บอกว่าจําลูกจําไม่ได้ว่าเป็นลูกหมอนะไอ้กำลังจะแต่บอกว่าถามว่าอยู่ที่ไหนบอกอยู่ชลบุรีกําลังนึกว่าเออถ้าติดขับปัญหาอะไรไปถามหมอกาลังแกล้งว่าจะให้ไปถามหมอพอดีเลยเพราะว่าหมออยู่เชลบุรีไงกาลังคิดว่าเออไม่รู้นึกยังไงก็ไม่ทราบว่าเออมันไอ้ดวงตาไม่มาตั้งสองไม่ไม่มาตั้งสองเดือนกลัวจะมีปัญหาทีนี้ก็เลยว่า นึกว่าถ้ามีปัญหาอะไรจะไปถามหมอดีกว่าแต่กาลังคิดแต่พินาเอ๊ะแต่หมอชอบพินากายเา็คนละเรื่องกันเนี่ยก็เลยไม่ได้ไม่ได้พูดไม่งั้จะให้ไปมีอะไรให้ไปปรึกษาหมอแล้วอ๋อลูกลูกสาวเองครับเออแต่แต่ตอนนี้ผมฝึกพิจารณาจิตหมอหมอเข้าใจไหมเข้าใจที่น้องตาบอดเข้าใจครับเออเข้าใจเพราะว่าเมื่อก่อนผมเป็นอย่างเงี้ะเมื่อก่อนเป็นอย่างงี้แต่ว่าเขาเขาจะจะนั่งนิ่งลึกกว่าผมเยอะนิ่งเป็นนั่งได้เป็นสามสี่ชั่วโมง เขาก็เข้าแรงเหลือไงหมอแรงไม่ค่อยเหลือแรงน้อยแล้วแรงน้อยแล้วครับใกล้จะตายแล้วมันต้องให้ตรงคือพอพระอาจารย์ได้สอนผมเนี่ยจิตผมเนี่ยตื่นเร็วแล้วก็รู้สึกเลยว่าตอนนี้ถ้าลืมตาปฏิบัติเนี่ยจะจิตจะรู้รู้รู้รู้เรารู้ความคิดรู้วันการพูดรู้ที่เราพากเนี่ยมันรู้ได้เร็วโดยเฉพาะเนี่ย ถ้าเราขับรถเนี่ยแล้วขับรถไม่ใช่ขับเร็วนะขับไปในตลาดเนี่ยพอติดเนี่ยมันคิดเลยไอย้ติดอีกล้วขับว่เอ้ยอ่ะตัดหน้าแลนะเอ้ยมอเตอร์ไซค์เฮ้ยเบรกอยู่แล้วเอ้ ย, ออยทำไมต้องมันเมื่อก่อนไม่เคยคิดนะเพราี้มั น, ม, นมันรู้สึกว่าจิตของเราที่เราคิดเรารู้อ๋อที่หลวงตาบอกว่ามันพูดตลอดที่ตัวพูดจิตตลอดจริงๆริเนี่ยอมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วผมรูก ว, ว่าแต่ละคนเนี่ย จะมีอะไรที่ทําให้รู้แต่คจริงแล้วมันอยู่ที่การสิ่งที่เราจะรู้ความจริงควรจะเป็นสิ่งที่เราทําอยู่ทุกๆวันอ่าถูกต้องอทํางานอะไรพวกเนี้ยเดินไปแล้วหรือเจอหน้าคนนี้ปุ๊บรู้คนนี้หรือเจอคนไข้เอ้ยไอ้อนี่มันขาเป๋นี่ว่ะหรือว่าไอ้คนนี้มันเป็นมันเดินขาเลี่ยงๆนี่ไปผ่าหลังมาผ่าดิสแล้วหมอผ่าไปดีไปโดนเนิบรู้หรือเปล่าเนี้ยก็คิดไปอะเออเพื่อเมื่อก่อนเราก็เคยคิดนะ ออกครับเคยคิดว่าทำไมมันผ่าหลังมันเดินมาทําไมขายกลับมันเดินขาเดี้ยงไว้เอนี่แสดงว่ามันมโดนเนิร์บลูตเดินเส้นประสาทแล้วอย่างเงี้ยก็เมื่อก่อนก็ดูก็เคยคิดอยู่ในใจเดี๋ยวนี้มันออกมันมันรู้เลยว่าเราพูดและและตอนนี้พอดีเมื่อวานที่พระอาจารย์ได้สอนนะผมก็เข้าใจอ๋อทําไมพระอาจารย์ถึงบอกต้องรู้ไอ้คนคิดคนพูดคนภาคไอ้คนที่ไปคิดคนไปภาก ไอ้ตรงนี้แหละครับคือจุดที่จะทำให้มีสติตลอดและเราต้องทำกันตลอดและตรงนี้พอทำทาไปเนี่ยมันก็วางพอรู้ละ ว, วางพอเราทาไปรู้ละ ว, วางรู้ละ ว, วางพอบ่อยๆเข้าไอ้จิตจิตวิญญาณวิญญาณขันมันก็จะปล่อยไปเองก็จะเหลือแต่จิตเดิมผู้รู้กับเราแล้วเราก็ทีนี้ก็จะไปกับธรรมชาติไปกับความว่าง เอ้ยแน่ก็นนคแค่นั้นแหละอันนี้คือปฏิบัติมาก็สุดท้ายก็แค่นี้นแค่นี้เองอ้าวนี่ก็สอนลูกก้นที่นี้ยแน่น้ำได้แล้วตรงเนะี้ยคือคือผมผมกลัวแล้วผมผมสอนแล้วเขาผิดอีกอ่าผมสอนแล้วผมไม่เข้าใจแล้วหมอเข้าใจถูกแล้วตรงเนี้ยผมเข้าใจถูกครับอันนี้ก็สอนลูกคอัเนี้ยเวลาหลงตามาอยู่เนี่ยมีปัญหาอะไรก็ถามพ่อเขาแต่ว่าผมไม่คือผมเข้าใจที่หลวงตาพูดแล้วผมก็เข้าใจผม ใช้ความเข้าใจเดียเด๋ยวนี้เลยแต่ตัวนี้ผมพูดก็มีจิตเป็นปัจจุบันที่จะรู้ออกผมพูดออกไปมันมื่อมีคิดออกไปเนี่ยแล้วผมพอพูดเสร็จตรงนี้แล้วผมก็วาง mm hmm. ก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ไปยึดกับคำพูดของเราคือผมคิดว่าในแต่ละคนเนี่ยก็คงมีโจทย์นะโจทย์โจทย์ของของที่จะให้หลุดพ้นเนี่ยเป็นโจทย์ของตัวเอง mm hmm. ไม่สามารถที่จะเอา เอาเอาอโจทย์ผมวิธีวิธีแก้ปัญหาคือโจทย์ผมอาจจะเป็นคณิตศาสตร์แบบเบญจเตยางแต่เซอริคออาจจะเป็นแบบพิชญคณิตต้องแก้สม ก, การเงี้ยผมเลยไม่กล้าที่จะเอาวิธีของผมตรงนี้ไปให้วีคนอื่นทําเพราะเดี๋ยวจะผิดและไปกันใหญ่ก็กลัวตรงนี้ครับกลัวกลัวกลัวตรงนี้ว่ากลายกลายไปยิ่งทําให้หลงไปใหญ่ผมก็เลยไม่ไม่กล้าเพราะว่ายังยังไม่ชํานาญครับเพิ่งเพิ่งรู้เพิ่งรู้ วันที่สิบสาสิบสี่สงการเองที่ไปบางบอนนะครับที่เห็นรูปรูปภาพนะครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งเพิ่งได้ตรงนี้เองมันยังยังไม่มีความแน่นในการที่จะไปสอนอะไรกอลูกสามกําลังเหลืองพอกําลังเหลือมันก็เลยเพราะว่ามันยิ่งเลยดันเข้าไปในในในชานในอารมณ์สมาธิมันยิ่งพลังอัดเข้าไปด้วยมันเลยเป็นลังเหลืองนั่งในกลางคืนเน่ย เราทำงานก็บึกบักบึกบักบึกบักไปได้ทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยมันยึดดันกัไปในในอารมณ์สมาธิแล้วบวกเดี๋ยวทุ้ท้ายก็บวกพลังด้วยตอนนี้บวกพลังตอนนี้บวกพลังเสร็จตอนนี้มันแก้ยากตอนนี้เพราะเรา ม, มีพลังเขาแทรกและแก้ยากแล้วหมอก็จะรู้เลยใช่ไหมผมผมก็เคยเป็นนะเคยเป็นตอนะ น, นี้แก้หมอเนี่ยแก่หลายครั้งมากนะแต่แต่ว่าพอดีผมไม่ยึดคนระผมออในที่สุดนี้พระอาจารย์ว่าในที่สุดเราพระรหันทุกโอนไม่ใช่ว่าเราว่าพระรหันอยู่ด้วยตัวรู้และ ท่านไม่ยึดเลยเอาแค่ตรงนี้ครับอยู่กับนะรู้แล้วก็วางเลยแล้วก็ยึดแล้วก็ไม่ต้องรู้ด้วยว่าไอ้ที่รู้รู้อะไรเพราะในที่สุดทั้งหมดเนี่ยไอ้ทีเ่เราไปรู้ในโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องรู้ของขันห้าทั้งนั้นซึ่งมันไม่เที่ยงมันมันมันไม่เที่ยงเป็นมันเป็นทุกข์มันทนอยุ่ได้เท่ะนั้นยากแล้วมันก็เรามันก็ควบคุมไม่ได้เ อ, อแล้วเราก็กวางซึ่ ง, ซ, งซึ่งแต่ว่ามันเหมือนดูจะรวบลัดไปฮะมาดูไม่ไม่ละเอียด เนีไอ้ตรงนี้ยเหมือนเหมือนว่าเราจะเราเอ้มันต้องละเอียดกว่านี้ไหมไม่ต้องฮนะพระครับมันยึดอะไรวางมันได้ตลอดเวลาได้ไหมครับไม่ต้องละเอียดแล้คือมันยึดแล้วก็วางอ่ะยึดทายึ ด, ยดรู้ว่ายึดอะไรอยู่สํารวจตรวจสอบแล้วก็วางคือเมื่อก่อนนี้ก็รู้สึกว่าเรามีเมื่อก่อนนี้นะเราสึกว่ามีไอ้ความมีความโกรธมโมโหถุนเฉียวมีอ่าการราคะอะไรมากแต่ก็ได้ไปฟังเทปของพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกให้พิจารณา พิจารณาแล้วจะเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นพอมีอะไรขึ้นมาก็จะพิจารณาแต่ความจริงรพอการที่พิจารณานี่คือการส่งจิตออกนอกอและมันยิ่งกลายเป็ น, นกลายเป็นนิสัยมันก็เลยกลายเป็นรู้ทุกข์รู้สมุทัยแค่นั้นแนะ่ะแต่ว่าไม่รู้จิตตัวเองอย่างแจ่มแจ้งถ้าไม่รู้จิตตัวเองอย่างแจ่มแจ้งยังไงก็ไม่มีทางพบนิโรธไม่มีทางหลุดพ้นใช่ไหมครับอาจารย์เพราะตอนนี้ผมเปลี่ยนจากไอ้ อรู้ไไอออจิตทุกกระสุนหมูไทยมาเปลี่ยนเป็นรู้จิตแจ่มแจ้งและให้ให้รู้เป็นมักแลก้วก็ให้ให้เป็นนิโรธครับผมมามาใช้วิธีนี้ฟังมาฟังพ่อแล้วเข้าใจไหมเนี่ยเอาไม้ให้ลูกหน่ <c oughs> อยสิอ๋อตอนนี้มีอะไรถามพ่อแล้วค <c oughs> ่ะเข้าใจไหมเข้าใจไหมเ <c oughs> ข้าใจค่ะเข้าใจ <c oughs> เข้จไมต้องปฏิบัติไงอ้าเข้าใจนะอิงก็คือให้สุดท้ายให้ให้เอรู้ตัวผู้รู้อ่ะค่ะค่ะว่าว่าตัวเองทําอะไรอยู่รู้ทุกขณะอะค่ะคือแล้วปล่อยวางทุกขณะอือคือตอนนี้ก็จริงๆก็พยายามเหมือนพิจารณาตลอดว่าเอาไม่เที่ยงอคือรู้อะไรก็พิจารณาไม่เที่ยงไม่เที่ยง อืมคือเตยเนี่ยต้องต้องเพิ่มปัญญาตรงนี้คือมันยังไปยึดเอาไอ้ไอ้ตัวสองขานเนี่ยไอ้ตัวสองขานที่มีความคิดมีอารมณ์ได้เป็นตัวเราโอ้ไอ้ตัวนี้เป็นตัวขันห้าไงมันเป็นตัวขันห้านี้ไปยึดว่าไอ้ความคิดที่ตัวเราที่ต่ําไปความรู้สึกกับเป็นตัวเราเป็นตัวคิดตัวตัวอาการต่างเนี่ย ที่สามารถมีความคิดมีอารมณ์มีความรู้สึกได้ตัวนี้เราไปยึดว่าเป็นตัวเราเราไม่เห็นว่าเป็นขันธ์ห้าเป็นสังขารนั้นพอยึดเป็นตัวเราเนี่ยเราก็เลยพลาดไปเลยเลยคือเอาตัวเราไปคนคิดเลยเลยตัวเนี้ยเอาตัวเราไปคนคิดเลยเลยเอาตัวเราไปคนคิดก็ตัวเราก็เป็นคนมีอารมณ์ตัวเราเป็นคนคิดก็ตัวเราเป็นคนมีอารมณ์แต่ไอตัวจริงไอตัวที่คิดกับตัวมีอารมณ์เป็นตัวขันธ์มันเป็นตัวสังขารตงแต่งมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นนิจังทุกขังอนัตตา เข้าใจไหมค่ะ <like> <say> เออวิธีที่เราจะหลุดรอดจากตัวนี้ได้คือเราต้องเห็นว่าไอ้ตัวที่รู้สึกว่าเป็นตัวเราเนี่ยตัวผู้คิดตัวผู้มีอารมณ์ตัวเราผู้คิดตัวเราผู้มีอารมณ์เนี่ยไอ้ตัวที่รู้สึกว่าตัวเราเป็นผู้คิดตัวเราเป็นผู้พมพมีอารมณ์เนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นขันห้าเป็นตัวสังขารเป็นตัวปรุงแต่งมันเป็นนิจังทุกขังอนัตตาเข้าใจไหมค่ะต้องเห็นมันในขณะปัจจุบันเลยที่มันว่าเรากําลังเป็นเอาตัวเราเป็นคนคิดตัวเราเป็นคนรู้สึกรู้สึกเป็นตัวเราตัวเราเป็นคนมีอารมเน้ีย ขนาดที่มันเกิดในขณะปัจจุบันเนี้ยตัวเราเป็นคนเพ่งตัวเราเป็นคนทําความเข้าใจตัวเราเป็นคนทำความเข้าใจอยู่ตัวเราไม่เข้าใจตัวเรามีอารมณ์แล้วตัวเราเป็นอย่างนู้นตัวเราเป็นอย่างงี้ตัวเราอย่างนั้นตัวเราอย่างงี้ทุกขณะที่มันตัวเราตัวเราตัวเราเนี่ยให้มีสติปัญญาอาศัยสติปัญญาในขันธ์หาช่วยกำกับมันหน่อยว่านี่ก็สังขารทางนั้นแน่มาเช่ตัวเราจริงๆรหรอกที่มันมีรู้สึกเป็นตัวเรามันก็สังขารพุงแต่งทางนั้นแน่ไม่เป็นสังขารปุงแต่งไปขันธ์ห้าทางนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงเาร มันเวลาเราตายแล้วไอ้พวกนี้ยกระดับหมดอืเราจะกํากับมันไปหน่อยใหม่ๆอ่ะสักพักนึ่งมันไม่ต้องกํากับม่นมันรู้มันรู้ที่ใจอ่ะว่าไอ้นี่ยมันเป็นสังขารไม่เที่ยงก็ไม่เข้าไปยึดมันเองต่อไปมันปรุงเป็นเราเราก็เห็นมันเป็นสังขารปุ๊บก็ไม่มีใครไปยึดมันเองมันก็ค่อยปล่อยวางไปเองเข้าใจไหมค่ะเข้าใจค่ะถ้าผ่านตัวนี้ได้มันผ่านจริงหรือเปล่าเออไอ้ตัวนี้ด้วยเพิ่มข้ามาเนี่ยไอ้ตัวสงสัยเนี่ย ไอ้ตัวสงสัยสงสัยสงสัยเนี่ยไอ้ตัวคิดจะมากิดจะมาคิดจะมาสงสัยสงสัยเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็ให้เห็นมีสติปัญญากํากับไปด้วยไอ้ตัวนี้ก็ตัวสังขารนะตัวขันห้าตัวปรุงแต่งเมื่อเราเห็นว่าเป็นตัวสังขารตัวขันห้าตัวปรุงแต่งเราจะยอมปล่อยวางมันถ้าเรารู้สึกเป็นตัวเราเราจะไม่ยอมปล่อยวางเข้าใจมค่ะเข้าใจเข้าใจจริงเปล่าเข้าใจเข้าใจจะได้อยู่ในความเพียรปฏิบัติอยู่ค่ะ